ธรรมดาของธรรมชาติสู่การแต่งสรรจัดการของมนุษย์ทำความเข้าใจถ้อยคำเช่นว่าธรรมะเช่นว่าสภาวะสิ่งทั้งหลายเป็นสภาวะคือมีภาวะของมันไม่เป็นของใครไม่ขึ้นต่อใคร คำสับที่มีความหมายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรอะไรได้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือธรรมะดังที่แยกเป็นรูปรธรรมและนามรธรรมไม่มีอะไรพ้นออกไปจากนี้ไม่มีอะไรไม่เป็นธรรมะอย่างไรก็ตามคำว่าธรรมะนั้นใช้กันในความหมายต่างๆมากมายนักแม้แต่ที่จุกจิกปลีกย่อยยุหยิ้มทั่วไปหมดบางครั้งก็ชวนให้สับสน ฉันเรียกความดีงามความถูกต้องว่าธรรมคือธรรมะอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามก็ไม่เป็นธรรมแต่เป็นอธรรมลายเป็นว่ามีสิ่งที่นอกเหนือออกไปซึ่งไม่ใช่ธรรมหรือธรรมะนี่คือความสับสนสำหรับคนผู้ยังไม่คุ้นเพียงพอที่จะเห็นบริบทแล้วรู้ทันและเข้าใจได้ด้วยเหตุนั้นในหลายโอกาส ท่านจึงนิยมใช้คำที่สื่อตรงไปยังความหมายที่ต้องการและคำหนึ่งที่นิยมใช้มากคือสภาวะซึ่งมีความหมายว่าสิ่งที่มีภาวะของมันเองหรือมีอยู่ตามธรรมดาของมันที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือไม่เป็นต้นในที่นี้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองสร้างสารรค์พันดาลสั่งการบัญชามันได้ บางทีก็ใส่คำว่าธรรมะต่อท้ายติดไว้เป็นสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีภาวะของมันไม่เป็นของใครไม่ขึ้นต่อใครอย่างเช่นน้ำไฟกายใจตาหูรูปเสียงกลิ่นดินลมแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามธรรมะหรือธรรมนั้นก็ยังเป็นคำที่ใช้เป็นสามัญที่สุด เมื่อธรรมะมีความหมายครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็จึงมาจัดแบ่งแยกประเภทสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยคำว่าธรรมะนี้อย่างที่รู้จักกันดีที่สุดซึ่งพบมาแล้วก็คือแยกเป็นรูปรธรรมและนามรธรรมหรือรูปรธรรมและอารูปรธรรม สังคตธรรมสังขารอสังคตธรรมวิสังขารการแยกประเภทของธรรมะอีกแบบหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่งสำหรับการศึกษาในที่นี้รออเกี่ยวกับเรื่องเหตุปัจจัยคือแบ่งเป็นสังคตธรรมกับอสังคตธรรมสังคตธรรมคือสิ่งที่ปัจจัยทำหรือสร้างขึ้น ลาตามสำนวนนิยมว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งก็คือสิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยการนั่นเองส่วนอสังคตธรรมก็คือสิ่งหรือสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยทำขึ้นสร้างขึ้นหรือปรุงแต่งขึ้นแต่ตามที่รู้ที่พูดกันมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเกิดมีและเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ในกระบวนของปัจจัยการทั้งนั้น แล้วจะมีอะไรที่ไม่ขึ้นต่อปัจจัยไม่เป็นไปตามปัจจัยการตอบว่าสิ่งนั้นมีอย่างเดียวก็คือสภาวะที่สิ้นปัจจัยเป็นปัจจัยไขเมื่อหมดสิ้นปัจจัยไม่มีปัจจัยก็ไม่ถูกปัจจัยทาสร้างหรือปรุงแต่งคือพ้นจากปัจจยการจึงเป็นอสังขตธรรมเรียกง่ายๆว่าอสังขตะ มีชื่อเรียกได้อีกหลายอย่างแต่ที่ใช้เป็นหลักเรียกว่านิพพานตรงนี้มีคำที่ควรรู้จักแทรกเข้ามาซึ่งควรทราบไว้ด้วยเพื่อป้องกันความสับสนคือคำว่าสังขารก็คือสังคตธรรมนั่นเองเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังขารทั้งสังขารและสังคตธรรมมีความหมายอย่างเดียวกัน มาจากรากศัพท์เดียวกันเป็นเพียงรูปศัพท์ที่ยักยงไปตามวิธีการของภาษาเป็นอันว่าสังคตธรรมหรือสังขารก็คือสิ่งที่สภาวาธรรมซึ่งถูกปัจจัยธรรมสร้างปรุงแต่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรู ป, ปรธรรมหรือนามรธรรมอันต้องเป็นไปตามปัจจัยาการหมายเหตุ คำว่าธาตุก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้ความหมายเดียวกับธรรมะสภาวะและสภาวะธรรมแต่ในภาษาไทยได้นำมาใช้ในความหมายที่จำกัดความใหม่ซึ่งแคบจำเพาะจึงต้องระวังความสับสนธาตุเท่ากับสิ่งที่ทรงสภาวะหรือดำรงคงลักษณะของมันธรรมะก็มีความหมายเชิงวิเคราะห์สัท์เช่นเดียวกันนี้ เมื่อสังขตธรรมมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารอสังขตธรรมก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งเข้าคู่กับสังขารว่าวิสังขารซึ่งก็แปลง่ายๆว่าปลอดหรือปราศจากสังขารหรือพ้นไปจากสังขารคือไม่ถูกปัจจัยทำสร้างปรุงแต่งนั่นเองทีนี้ ที่จะต้องป้องกันความสับสนอย่างสำคัญก็คือว่าคำว่าสังขารที่มีความหมายกว้างขวางใหญ่โตครอบคลุมรูปธรรมและนามธรรม ท, ทุกอย่างที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยตรงกับคำว่าสังขตธรรมนั้นได้ถูกใช้ในอีกความหมายหนึ่งที่ต่างออกไปห่างไกลจึงต้องรู้จักเข้าใจไว้และแยกจากกันให้ได้